พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สีสิบจุลอัสาปุระสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิคมชื่ออัสาปุระสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณ น, นิคมชื่ออัฏฐปุระแคว้นอังสะตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเนียกในเรื่องชื่อและคำปฏิ ญ, ญาว่าเป็นสมณะเหมือนสูตรก่อน แต่แสดงข้อปฏิบัติต่างออกไปว่าพึงสำเนียกว่าจะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะทรงไขความว่าตราบใดยังละมนทินของสมณะส2องอย่างไม่ได้พระองค์ก็ไม่ตรัสว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะมนทินของสมณะ12บสองอย่างคือหนึ่งอภิชาเพ่งอยากได้ 2. พยาบาทปองร้ายสาโกรธสผูกโกรธหลบหลูบุญคุณท่าน 6. ตีเสมอ 7. ริษยา 8. ตรณี 9. มักอวดส0มายาสิบเอ็ดปราถนาลามกสบสอง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 ยังไม่ตรัสว่าเป็นสมณนะตรัสว่าถ้าเพียงส่งผ้าสังคติคือผ้าซ้อนเป็นต้นจะทำให้บุคคลผู้มีมนทินละมนทินทั้งส2องอย่างนั้นได้ญาติมิตรก็จะพากันชักชวนให้ส่งผ้าสังคติเป็นต้นด้วยเข้าใจว่าจะทำให้ละมนทินได้แต่เพราะทรงเห็นผู้ทรงผ้าสังคติเป็นต้นยังมีมนทินเหล่านั้น